ตองโมตระบุนกับผู้จัดงานคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยเซนหลุยแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานจากโรงพยาบาลเซนหลุยที่ได้มาร่วมกันประชุมกันฟังธรรมะในวันนี้ แล้วก็อารวะท่านอาจารย์ธิรยุทธ์ที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยก็รู้สึกยินดีนะที่ผมจะได้มาร่วมทาบุญทำความดีในฐานะของอุปกรณ์ของพระธรรมนะก็จะมาพูดคุยให้แง่คิด ให้กำลังใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับการทำงานด้วยธรรมะปกติแล้วโรงพยาบาลนี่ผมก็เข้าออกบ่อย <c oughs> <c oughs> เข้าออกแล้วบางทีก็ไปพูดธรรมะ ตามโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปรักษาตัวบ้างมีรู้ไปใครเจ็บแต่ที่โรงพยาบาลเซลุยนิดไม่เคยมานะ <c oughs> ได้แต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังไม่เคยเข้ามาแล้วก็ออกไปสักทีวันนี้ จ, จะเป็นวันแรกแต่ถ้าจำเป็นก็ไม่อยากจะเข้ามานะ ทำไมจําเป็นมีอะไรข้ามาเนะีอยมีจริธรรมที่เป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่บางโรงพยาบาลเวลาไปพูดที่ไหนก็ก็บอกว่าอาอาจารย์มาเที่ยวเล่นที่นี่บ้างสิเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยมาเที่ยวเล่นอย่างก็โรงพยาบาลเนี่ยไปที่หน้ารื่นรมอย่างนั้นะอื ไม่เหมือนสวนลุมเลเนี่ยเราไปเที่ยวเล่นเพราะว่าตามโรงพยาบาลนี้ก็มีมีแต่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมีน้ำตาเนี่ยมีความพลัดพากเหมือนเทวทูตนะ <c oughs> เป็นแหล่งเทวทูต <c oughs> บอกให้เราไม่ประมาทเอกว่าถ้ามันจงเป็นก็ไม่เข้าไปเดินเล่นหรอกที่นั่น <c oughs> แต่ว่ามันเป็นธรรมดานะเนี่ยแหล่งที่เราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์หรือมีปัญหาที่นั่นล่ะคือแหล่งปัญญาเป็นแหล่งที่ทำประโยชน์ให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักมอง ถ้าเราดูวีดีทัศน์ประวัติเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นว่าทำไมเราจรึงต้องมาสนใจธรรมะเราจะมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรกันเนี่ยมันก็เพราะมีเหตุโดยปกติแล้วคนไม่ค่อยสนใจธรรมะไม่ค่อยมาจะปฏิบัติธรรม ไม่ชอบเพราะว่ามันมันเหมือนยาขมมันฝืนความรู้สึกแต่ว่ามีความจําเป็นบางอย่างบางอย่างก็ต้องปืนนะเพราะว่าสิ่งนั้นถ้าถ้าสิ่งมีประโยชน์ใช่หไหมเวลาเราทานยาเนี่ยเราก็ไม่ชอบทานยานะยามันขมมันไม่อร่อยเหมือนขนม แต่ถ้ามันมีประโยชน์มันก็จาเป็นจะต้องทานยาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็จึงมียาเคลือบชอโคโค็อกโกแลตมันก็มันเป็นเหยื่อล่ อ, อใเราต้องทานแบบที่ไม่ต้องลำบากมาเดี๋ยวนี้ธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยธรรมะก็ต้องมีการเคลือบชอ็อกโกแลตบ้างบางคนจะไม่ค่อยสนใจอย่างใน ขับยนซาละคดีจิตสดใสแม้กายพิการนี่ก็สาเหตุมาจากความทุกข์นนะผมเองก็ไม่ไม่คิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิต ท, ที่พิการอย่างนี้ชีวิตมันก็มาดีแล้วเราน่าจะมีชีวิต ท, ที่สดใสต่อไปในวันข้างหน้าไม่ถึงว่าก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุนะนะแต่พอหลังจากที่ เคราะหายประสบบาดเท็จชีวิตยังกระทั่งร่างกายต้องพิการากระดูกต้นคอสีห้าข้อที่ห้านี่ฮะมันก็มีผลทำให้ร่างกายส่วนล่างจากระดับคอลงไปเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกสมมากจะไม่รู้สึกเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บเคลื่อนไหวโดยเฉพาะหัวไหล่แล้วก็แขน ซึ่งใหม่ๆนี่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยอาศัยทำกายภาพเราจะให้ร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นมาบ้างในส่วนที่มันสามารถจะพัฒนาได้ตั้งแต่หัวไหล่ลงไปไม่รู้สึก <c oughs> สึก น, น้อยปัสสาวะอุจจาระอะไรก็ไม่รู้สึกควบคุมการขับถ่ายอะไรไม่ได้อันที่สมบูรณ์สุดก็คือที่เนี่ยบริเวณศีรษะเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ที่สุด พอจะใช้ประโยชน์ได้มันก็ดีนะในส่วนนี้มันเรายังมีส่วนที่เรายังมีสมองได้คิดเนี่ยยังได้คิดยังได้ตั้งสติตั้งตัวเองใหม่ได้แต่ผมก็ใช้ชีวิต อ, อย่างนี้มาสามสิบสามปีสามสิบสามปีในสภาพร่างกายที่พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ก็เป็น 3-3 ปีที่มีคุณภาพสาหรับตัวเราเองได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เ, เกี่ยกวกับเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้มีโอกาสมีโอกาสหันกลับมาดูตัวเราเองแต่ก่อนเป็นคนประมาทมากไม่เคยรู้จักตัวเองเมองแต่ข้างนอกสนใจแต่ข้างนอกเรื่องข้างนอกนี่รอบรู้ แต่ไม่เคยรู้เรื่องตัวเองเล ย, เ, ยเวลาเกิดปัญหาชีวิตเราก็เลยเป็นทุกข์เล ย, เยปัญหามันเกิดขึ้นจากที่กายที่ใจอ๋อตัวนี้คือต้นตอของปัญหาคือกายกับจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งองความทุกข์พอเราหมดหวังในชีวิตแล้วเราก็เลยจะทำยังไงที่จะ ให้ชีวิตเราดีขึ้นมาหนี่บ้างดีขึ้นมาไปกว่านี้บ้าง mm hmm. ในสภาพร่างกายที่พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันก็มืดมนอนท ก, การนะมองข้างหน้ามันก็หมดหวังมองข้างหลังก็เสียดาย <c oughs> เอาชีวิตที่เป็นความคิดอดีตบ้างอานาคตบ้างมาทับถมชีวิตปัจจุบันจนเกิดความทุกข์พอทุกจนพอเพียงแล้วมันก็เลยต้องหาทางออก <c oughs> กรีนไม่ทุกพอเพียงมันก็ทนไม่ได้นะบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะทุกมันพอเพียงแล้วมันไม่ไหวทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายมิฉะนั้นก็อดทนหน่อยอาจจะเป็นโรคจิตโรคประสาทก็ได้นี่เราก็เลยหันเหชีตมาสนใจกับธรรมะ <S <S เพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้ว่าไม่รู้ทางไหนที่มันจะสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้ นอกจากธรรมะอย่างเดียวคือมีชีวิตเหมือนสุนัขจนตรอกมีทางให้เลือกสองทางอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่สนใจกับธรรมะไม่หาทางออกของชีวิตโม่แต่ซึมเศร้าเบื่อเซ็งเราก็จะไปทุกข์ไปจนตายเนี่ยนี่คือทางหนึ่งทึ่เป็นทางเลือกและอีกทางหนึ่งคือทางที่เรา แก้ปัญหาชีวิตโดยาการมาสนใจธรรมะมาศึกษาวิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อออกจากปัญหาจะเลือกเอาระหว่างธรรมะกับไม่สนใจธรรมะนี่มันมีแค่สองทางทางอื่นเลือกไม่ได้ลนะแล้วก็เอาลนะอย่างน้อยเราคงจะมีโอกาสบ้างาไม่มากก็น้อยเปลี่ยนร้ายจะ ก, กลายเป็นดีอาศัยธรรมะนี่นะมาเป็นหลักธรรมในการปฏิบัติชีวิต ในทางที่ไม่สนใจธรรมะทอแท้หมดกาลังใจนั้นเราไม่ได้มองเลยทางด้านอุปสรรคไม่มองมองได้เดียวเนี่ยคือหาทางออกนี่คือมองจะว่าเป็นมองโลกในแง่ดีก็ได้ในแง่ที่ว่าผ่อนคลายหาทางออกให้กับชีวิตเพื่อแก้ปัญหาชีวิตถ้ามองโลกในแง่ร้า ย, ายเราก็จะทอแท้หมดกําลังใจ <c oughs> <c oughs> ก็หาทางออกโดยการมาศรัทธาธรรมะทุกทําให้เกิดศรัทธา สตาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อนะพ้นจากความทุกข์ถึงไม่พ้นมันก็ยังได้อะไรบ้างติดเนื้อติดตัวไปใ น, นหนาต้องตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็เลยหนหันมาทางธรรมะเลยเนี่ยเราศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัตรริศึกษาอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ไม่สำเร็จผลไม่สําเร็จประโยชน์นะเนี่ยรู้ธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแต่ไม่เข้าใจธรรมะเลยรู้จํารู้จัก แต่มันยังไม่รู้จริงยังรู้ไม่ถึงจิตถึงใจรู้แต่รอบรนอกมันก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้จ้องต้องมีการปฏิบัติธรรมมาสนใจธรรมะใ น, นแง่งธรรมะปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจําวั น, นได้ฝึกสติฝึกมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองก็เข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิต ตอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนอาศัยกําลังใจกําลังใจสําคัญนั่นคือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็ได้รับ ก, กําลังใจจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อกําเขียนกําลังใจว่าคนพิการนี่มันก็ปฏิบัติทําได้คำนี้เป็นคําที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตจากความคิด ที่ว่าไม่ได้มาเป็นได้ขึ้นมาเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้แต่อย่างน้อยก็ได้ทำาให้มันได้ทำนะถ้าได้ทานี่ผลจะเป็นยังไงนี่ค่อยว่ากันทีหลังพอได้ทำนี่มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง เ, เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถแก้ปัญหาตัวเองได้จากทุกมากเป็นทุกน้อย ต่อไปมันก็ค่อยๆคลายคลายจิตคลายใจคลายทุกทังด้านจิตใจส่วนร่างกายก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แหละสภาพที่มันไม่ค่อยสะดวกแต่มันแปลกนะพอปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้ร่างกายพิการเนี่ยผมไม่มองมองไม่เห็นคนควายพิการของผมเลยผมไม่เห็นว่าผมเป็นคนพิการเลย มองเท่าไหร่มันพิการตรงไหน <c oughs> แต่ผมเห็นแต่เพียงว่าความไม่สะดวก <c oughs> เราใช้ชีวิตแบบไม่สะดวก <c oughs> มันไม่ได้พิการมันไม่สะดวกต้นเองไม่สะดวกเหมือนคนอื่น <c oughs> แต่มันสบายทางด้านจิตใจ <c oughs> ในสภาพร่างกายที่ไม่สะดวกของเราเนี่ยโอ้แต่ใจาเราไม่สบาย ความไม่สะดวกเนี่ยทำให้เกิดความสบายทางใจได้เหมือนกันเออความไม่สะดวกทางร่างกายเอามาฝึกจิตฝึกใจจนเข้าใจตัวเองเข้าใจในความไม่สะดวกยอมรับมันได้แล้วก็เรียนรู้ที่อยู่ความไม่สะดวกได้ใจมันก็สบาย <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่มีความพิการมีแต่ความไม่สะดวก ก, ก็ธรรมดา ก็ใช้ชีวิตอีกยิง่งมาเรื่อยๆเนี่ ย, ยตัวทั้งเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมก็แล้วกันเนี่ยความไม่สะดวกของเรานี่แหละมันเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมให้คนที่เขาสะดวกทางกายแต่ไม่สบายทางใจได้มีประโยชน์บ้าง <c oughs> มีไหมไอ้ทางการนี่สะดวกมากเลยแต่ใจไม่ค่อยสบาย <c oughs> บางคนขอแลกเอาความสบายของใจผมไปอแล้วก็ แล้วก็ให้ผมเนี่ยให้เขาใช้วิตแบบไม่สะดวกโอ้โหไม่ต้องแลกหรอกคุณร่างกายสะดวกดีอยู่แล้วล่ะคุณก็ปฏิบัติทำเนี่ยให้มันเกิดความสบายทางใจมันย่อมมีโอกาสมากกว่าผมที่ทาไป <c oughs> สบายทั้งกายสบายทั้งใจมันดีอยู่แล้วอย่าแลกปฏิบัติทำซะมันจะได้ดีทั้งกายแล้วก็ดีทั้งใจเนี่ย สาเหตุของการมาสนใจธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเพราะเรามีปัญหาชีวิตเรามีความทุกข์ก็เลยมาปฏิบัติธรรมการทํางานในโรงพยาบาลเซนหลุยนี่นะเนี่ยจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรมได้นะปฏิบัติธรรได้ในโรงพยาบาลนี่แหละน โรงพยาบาล เ, เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติตารร ม, มาอยู่ในชีวิตประจำวันบางที่อาจจะสะดวกสบายในทุกอิเลียบทก็ได้ในการปฏิบัติของเราปฏิบัติธรรมะคือการปฏิบัติตัวเองเนั่นแหละไม่ได้ไกลหไหนปฏิบัติตัวเองเนี่ยมาดูตัวเองตัวเองอยู่ไหนก็ดูได้ตรงนั้นแหละได้ทันทีเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม อย่างคนที่สมมุติว่าคนที่มารับบริการเนี่ยมารับบริการเราคือผู้ที่ให้บริการให้การบริการคำรับบริการส่วนมากจะเป็นคนที่มีปัญหาเกือบทั้งนั้นต้องการความช่วยเหลือมีความทุกข์ทางด้านร่างกายมีความป่วยไข้ท้งร่างกายบางทีบางคนก็ป่วยทางด้านจิตใจ ร่างกายเป็นปกติแต่ใจก็ยังป่วยยังเป็นทุกข์อยู่หรือยังควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ก็เข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลเซนหลุยแห่งนี้ก็เยอะอยู่แต่นี้โรคเครียดก็มีมากจิตไม่ปกติก็เยอะซึมเศร้ามากมายดิยซึมเศร้าฟุ้งซ่านโรคทางจิตมันก็มีเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ จิตแพทย์ผลิตไม่ค่อยไหวในนี้มีมากมายบางคนเป็นโรคทั้งทางกายแล้วก็โรคทั้งทางจิตเนี่ยครบคู่กันไปเลยเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องมาเข้าบำบัดที่นี่ทั้งนั้นแหละคุณหมอคุณพยาบาลก็ได้ทาหน้าที่ตรงนี้ได้ามประโยชน์เจ้าหน้าที่ก็ให้ความสะดวกสบาย กับุคคที่เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลแต่การการทำงานอย่างนี้ละ่ะมันต้องมีจิตสำนึกอย่างหนึ่งจะได้ทำงานอย่างมีความสุขก็คือเราต้องมีความเสียสละตัง้งแต่จิตใจรู้จักเสียสละทำงานด้วยความรักด้วยความเมตตาเสมือนคนที่มารับบริการเหมือนเป็นญาติของเรา มือนเป็นญาติของเราถ้ามองเขาเป็นญาติของเราแล้วก็เราดูแลเต็มที่เลย <c oughs> ถ้าเรามองเป็นคนอื่นซะเราก็จะไม่ค่อยมีจิตมีใจคือไม่มีใจในการทําหน้าที่การมีใจทําหน้าที่นั้นจะต้องมองให้เขาเหมือนญาติของเรา <c oughs> เหมือนคนที่เรารักาม ข, ข, ขอความช่วยเหลือจากเราเราจะช่วยเขาอย่างไรบ้าง ช่วยทางกายไม่ได้ก็ช่วยในด้านจิตใจให้กำลังใจเขาเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นบุญสลับเรานะบุญเนี่ยใครทำใครได้เนี่ยใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้แต่คนอื่นทำเราอนุโมทนาบุญได้นะเราทำเราเองจะว่าไปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสรุปนี่คือแหล่ ง, งบุญนับ แหลงแห่งบุญเราก็อาศัยทำบุญโดยการช่วยเหลือทำหน้าที่ด้ว ย, ด, วยด้วยใจมีใจโรงพยาบาลก็คือโรงทําบทำบุญเราก็จะได้บุญทุกวันการมาทำงานที่นี่ก็คือการมาทำบุญมาทำบุญใจเราก็เป็นธรรมะได้มีทั้งความรักมีความเมตตามีความเสียสละมันเหนื่อยกายหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ใจเรามีความสุข เนี่ยบางคนทำบุญจนเพลินจนเปลีปยบุญก็มีนะ <c oughs> เปลียบุญกลับบ้านออนอนหานไง <c oughs> แต่อย่ามองตรงที่เราเหนื่อยจงมองว่าโอ้วันนี้เราทำงานได้เยอะนวันนี้เราทำบุญได้เยอะมันหายเหนื่อยเป็นปิติทิ้งเลยวันนี้เราทำบุญได้เยอะเราทำงานได้เยอะหายเหนื่อยมันก็มีความสุขบุญเป็นความสุขที่นั่นจิตใจความ ความสุขนั้นเกิดจากบุญอันนี้มันมันเป็นบุญที่เป็นปีติบางทีน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาเย็นน้าตาเย็นนี่คือน้าตาเกิดจากการปีติปลืม้มออกปลื้มใจถ้าน้ำตาร้อนแสดงว่ามีความเศร้าหมองมีความทุกข์ใจเราเคยไหมบางทีเราได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกแหมปลืม้มปีติน้ำตาไหลคนลุกจูใจบางทีน้าตาร้อนมีความเศร้า โอกเสียใจร้อนอกร้อนใจเนี่ยคือน้ําตาก็ไหลเหมื่กันนะร้องไห้้น้ําตาร้อนแต่คนที่ไม่มีน้ําตาเย็นน้าตาร้อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้มีน้ําตาเทียม <c oughs> น้ําตาเทียมมันก็ช่วยได้นะนี่แค่เราวางใจถูกต้องเนี่ยเราก็มีความสุขในการทํางานไนดะ้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทําหน้าที่ที่นี่แหละ มันมีความสุขอีกอย่างหนึง่งอยากจะเสนอในการทำงานในการทำหน้าที่ในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำไปเนี่ยเีกว่าคำพูดเนียใช้ในชีวิตประจวันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่เอาโรงพยาบาลเิรหลุยเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นที่ทดลองก็ได้เราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราอยากจะมีความสุขกับการทำงานกับการทำหน้าที่เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ว่าคือการคือความตั้งใจนี่แหละตั้งใจทำงานณนะตรงนั้นณนะปัจจุบันนั้นตั้งใจทำเนี่ยไอการตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นตัวสตินะเป็นตัวปฏิบัติทาแล้วคือความตั้งใจทำงานปกติเวลาเราเริ่มตั้งใจทำงานเนี่ยบางทีจิตมันไม่ค่อยตั้งจิตมันก็จะไปคิดเนี่ยมันจะคิดฟุ้งร้างสังเกตดูไหม มันจะไม่อยู่กับงาน <c oughs> จิตมันก็จะไปตามเรื่องตำราวของมันก็คิดไปแดนงานอยู่ตรงนี้ากายอยู่ตรงนี้แต่ใจเราเนี่ยมันออกนอกแดนงานหลายครั้งเพอเริ่มต้นถ้าจะดีต่อไปไม่รู้ใจเราหายไปไหนร่างกายแล้วก็ทากันไปแบบด้วยความเคยชินแต่ใจนี้ไม่อยู่กับตรงนี้ตรงนี้แหละมันจะไม่มีความสุขมันก็จะคิดจละพัดอยา่าง มันจะเสร็จไวไหมจะทำไงให้มันเสร็จไวๆงานยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าใจไปแล้วมันจะได้อะไรบ้างจากงานนี้งานยังไม่เริ่มเลยใจมันก็ต้องการผลล่ะคาดหวังในผลวิตกกัวนว่าถ้าไม่เสร็จจะเป็นยังไงเนี่ยแหละใจมันคิดกังวิตกกวนตรงนี้เทํำให้เกิดความทุกข์ไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งออกนอกอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันดึงเาความทุกข์มาสู่ใจเรามากมาย แต่งว่าใจเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งอยู่กับแดงงานก็จะไปยี่บ่อยครั้งเราก็จะทํางานแบบไม่ค่อยมีความสุขเพราะจิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับแดน ง, งานตรงนั้นมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไปเรื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขเพราะใจลอยออกมาจากแดน ง, งานของเราแต่ถ้าเราสามารถ ดึงจิต ด, ดึงใจให้มาอยู่กับงานได้เมื่อไหร่เราก็ขณะปัจจุบันเนี่ยมันปัญหาไม่เกิดมันเพลินอยู่กับการทํางานเนี่ยสายตัวสติตัวสติเป็นผู้โยงจิตโยงใจมาอยู่กับเนื้องานอยู่กับกายอยู่กับแรงงานของเราเยโยงอยู่ตรงนี้สติพอสติดึงกลับมาสมาธิเกิดการตั้งมัน่นเนี่ยตรงนี้แหละมันจะมีความสนุกมีความเพลิดเพลินอยู่กับงาน บางทีลืมลืมเวลาลืมทานอาหารลืมหิวก็มีนะเพราะเพลินอยู่กับงานเนี่ยลองตรงนี้สักหน่อยเนี่ยลงพยายามตั้งใจเวลาใจมันหลุดลอยไปอ่ะเหลือแต่กายกับงานแล้วก็มารู้ใหม่มารู้กับการทางานเนี่ยเป็นการจิตสติในระหว่างทางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งมันต้องใช้ถ้าไม่ใช้สติแล้วก็ได้หน้าลืมหลัง ไม่รู้วางปากกาไว้ตรงไหนเว่นตายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> มันต้องตั้งสติมาอยู่กับแดงงานของเราเนี่ยมันจะเพลินจะสนุกกับการทำงานเนี่ยเนี่ยสำคัญนะเนี่ยเราเอามาใช้ตรงนี้ได้เราก็จะทำงานแบบมีความสุขจะผ่อนคลายมันจะไม่เครียดกับงานแม่งงานมันจะหนักมันจะเหนื่อยเป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจก็สบายอยู่กับงานของเรา เนี่ยเป็นการสร้างเหตุสร้างเหตุของงานไปสู่ผลงานเนี่ยเมื่อสร้างเหตุถูกต้องแล้วผลมันก็ดีเอง<笑><笑>เนี่ยวิธีการทำงานให้มีความสุขคือมีสติอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับงานนนลองดูสักระยะหนึ่งเราจะรู้ว่าเออเรานี่รู้สึกมีความสุขมากย่งขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้เฉพาะงานในโรงพยาบาลอย่างเดียวนะเราสามารถเอาสติ รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไปใช้ไปใช้ในที่ไหนก็ได้ในชีวิตประจำวันมั่นเรารอใครสักคนหนึ่งการรอคอยเนี่ยมันมันเป็นเวลาที่ที่เลวร้วายมากบางคนไม่ชอบการรอคอยเพราะรอคอยแล้วจิตใจมันบีบคั้นเมื่อไหร่จะมามันก็คิดฟุ้งซ่านอะ เราไม่ได้รอคอยอย่างเดียวเราคิดฟุ้งซ่านตามสิ่งที่เรารอคอยเมื่อไหร่จะมาจะมาเมื่อไหร่ไอ้ความคิดแบบนี้ทำให้ใจเราดิ้นลนนะดินน้นนทุรนทุรายมันก็ร้อนมันก็เป็นทุกข์อ่ะนกายนั่งอยู่นี่แต่ใจเราเป็นทุกข์เพราะคิดเนี่ยเราก็ดึงนะเอาจิตเราจามอยู่กับเนื้อกับตัวซะเนี่ย ก, การรอคอยด้วยสติเนี่ย มันรอคอยแบบมีความสุขได้มันเือไม่มีการรอคอยอะไรมันไปนไปตามเวลาของเขาถ้าเขาจะมาเขาก็มาไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขามาแล้วาาเขามาตามหน้าที่ไหนไม่ใช่เขามาแต่เมื่อเขามาเขาไม่มาแต่เมือ่อเขาไม่มาเราก็อยู่กับปัจจุบันกับการปฏิบัติธรรมในขณะรอคอยได้ใจมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยกาอยู่ตรงนี้เราก็เอาใจอยู่กันเลือกตัวซะ แค่สัมผัสนิ้วมือเอานิ้วจีกัดนิ้วหัวมือถูกันเบาๆเนี่ยมีสติมีสมาธิรู้อยู่ตรงที่มือกําลังสัมผัส ก, กันเบาๆเนี่ยมันรอแบบมีความสุขนะมันไม่ได้รออะไรมันรอรู้ว่าสติมันเกิดเมื่อไหร่แล้วก็รู้สึกไปย่งนัมันรอที่เนื้อที่ตัวเราไม่ได้รอคนโน้นคนนี้ถ้ากับเราเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นถ้าเขาไม่มาเราก็ทุกข์ เข้ามาเราก็สุขอย่าไปรออย่างนั้นมารู้สึกเอานิ้วสัมผัสกันนิ้วชีกับนิ้วมือในมือเดียวกันสัมผัสกันถู ก, กันเบาๆเนี่ยสติรู้อยู่ตรงเนี้ยได้เป็นการปฏิบัติธรรมในขณะรอคอยอาจจะบรรลุธรรมรู้กายรู้จิตสิ้นทุกขณะที่รอคอยก็ได้นั่นเรามีสิทธิที่จะบรรลุธรรมได้ทุกขณะจิตอย่าประมาทไปเนี่ยมันทาได้ การรอคอยการนอนไม่หล <c oughs> <linear> ับเนี่ยเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับก็เป็นโรคฮิตนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระเพาะความคิดความคิดมันพาจิตเตลิดออกนอกไปปรุงแต่งก็เลยนอนไม่หลับเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ากินไม่อิ่มนอนไม่หลับขับไม่สะดวกเนี่ยมันพื้นฐานชีวิตก็มันก็ไม่ดีครับต้นทุนชีวิตไม่ค่อยดี มันต้องกินอิ่มนอนหลับขับสะดวกไม่ใช่ขับรถกับถ่ายสะดวกมันก็มีความตูกในขั้นหนึ่งแล้วว่ากินอิ่มนอนหลับขับสะดวกเนี่ยโอ้พอแล้วพื้นฐานชีวิตถ้าทำสามอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยสู้แมวไม่ได้นะแมวมันสบายเลยเรามนุษย์มันต้องเหนือแมวต้องกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกเนี่นต้องอย่างนี้ก่อนไอ้นอนไม่หลับเนี่ยมันมันเป็นเพราะความคิดซะมาก มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งวิตกกังวลยิ่งนอนไม่หลับยิ่งหงุดหงิดแม้ถ้าไม่หลับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่นี้เราจะอ่อนกําลังเราจะปวดทีษะสารพัดคิดไปเรื่อยมันก็เลยไม่หลับเนี่ยยิ่งอยากให้หลับมันก็ไม่หลับนะเนี่ยยิ่งอยากให้หลับมันก็ไม่หลับเพราะเราทำน้นทำหน้าที่นอนไม่ถูกต้องเพราะทำที่นอนแล้วก็มีความหวังผลว่าอยากให้มันหลับไอ้ความไม่อยากให้มันหลับเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาของการนอนแล้ว มันเป็นตัวตันหาความอยากให้มันหลับมันไม่หลับก็คือไม่หลับถ้ามันจะหลับก็หลับของมันเองร่างกายเราบังคับบัญชามันได้ที่ไหนล่ะอจิตใจก็เหมือนกันมันก็จะคิดสะพัดอย่างเก็บเอาเรื่องราวในแต่ละวันมาคิดคิดคิดทำให้เรานอนไม่หลับเล่นๆใช่ไหนวิธีนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ว่านอนให้หลับนี่มันยากมาก ยากมากนอนให้หลับแต่ไม่แย่หรอกมันจะยากแค่ไหนมันก็มีทางออกของมันเวลามันนอนไม่หลับอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปพยายามฝืนมันไม่มีทางเาจิตตอนนั้นเป็นจิตที่มันไม่ป ก, กติล้ะจิตมันถูกบีบคั้นแล้วยังไงก็ไม่หลับอย่าไปนอนอย่าไปพ ล, ลิกมามัลลัการลุกขึ้นมาทาอะไรซะจะไหว้พระสวดมนต์จัดของเล็กน้อย ถ้าเราไม่คิดว่าเราอยากจะหลับหรือไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ง่วงเราคิดอยากจะหลับปั๊บเดี๋ยวมันไม่หลับวิธีการทำให้ไม่หลับก็คือเราเตรียมตัวให้ดีทําหน้าที่นอนให้ดีที่สุดทําหน้าที่นอนนะไม่ใช่ทาหน้าที่หลับนะทาหน้าที่นอนนี่เป็นการสร้างเหตุจะไหวพระสวดมนต์ปัดที่หลับปัดที่นอนเปิดธรรมะฟังก็แล้วแต่ทําหน้าที่นอนนอนให้ดี ดีที่สุดนะนอนอย่างไรทําหน้าที่นอนให้ดีที่สุดจบแหละในการนอนส่วนจะหลับหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราเราจบในการทําหน้าที่นอนซะแล้วอย่าไปกังวลว่ามันจะหลับหรือไม่หลับอย่าไปกังวลถ้ายิ่งไปกังวลว่ากลัวมันจะไม่หลับอยากให้มันหลับไม่มีทางหลับเลยมันยิ่งถูกบีบคั้นใหญ่เลยทําหน้าที่นอนเป็นการสร้างเหตุให้ดีที่สุด ส่วนจะหลับหรือไม่หลับนั้นเป็นเรื่องของเขาต้องตัดตอนรู้จักตัดตอนชีวิตม้างชีวิตปัจจุบันตอนคือนอนชีวอนาคตคือจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของเขาเนี่ยตรงนี้หละ่ะเราทําอย่างนี้ดูสิบางทีแล้วก็เอามือวางไว้ที่หน้าอกเนี่ยวางที่ที่ท้องก็ได้เอานิ้วสัมผัสกับท้องเบาๆหลับตาปรสัมผัสเบาๆรู้สึกเบาๆ กล่อมจิตกล่อมใจให้มันหลับเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เราคุณพ่อคุณแม่เราคุณแม่เป็นผู้ที่กล่อมเราให้หลับตอนนี้คุณแม่ไม่มีแล้วก็กล่อมตัวเองเอามือสัมผัสเนี่ยแตะเบาๆรู้สึกเบาๆทำเพื่อจะหลับเบาลู่บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างห ล, ลับปุ๊บเลยสังเกตตรงนี้รู้บ้างหลงห ล, ลับเลยเมื่อก่อนผมก็เคยนอนไม่หลับนะตอนที่ป่วยใหม่ๆเนี่ย ก็นอนไม่หลับคิดมากเนี่ยผมใช้วิธีนี้สัมผัสเบาๆหลับเนี่ยไม่อยากตื่นเลยเด็ <c oughs> กจะหลับไม่อยากตื่นแลวพาตื่นมาต้องโอเจอสภาพร่างกายที่ีการสมัยก่อนนะหลับแล้วหลับเลยก็ดีหลับไม่ต้องตื่นก็ดีนะ <c oughs> เราก็เลยฝึกอย่างเนี้ยเอามือสัมผัสเนี่ยรู้สึกเดยวมันก็หลับไปเอง นี่มันเอาการเจริญสติมาใช้ก่อนจะนอนก็ได้ถ้าหลับไม่ตื่นแล้วก็ไปสู่สุขติถ้าหลับแล้วตื่นแล้วก็ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสใทางานต่อไปได้ดีทั้งสองอย่างนะเป็นการฝึกจิตไว้จิตก่อนจะหลับกัจิตก่อนจะตายเนี่ยมันคล้ายๆกันไปจิตที่สงบนิ่งคล้ายๆกันจิตก่อนจะหลับจิตก่อนจะตายเราจะทำไงที่จิตมันหลับแบบปกติ โดยที่ไม่ต้องคิดหรือใช้ยานอนหลับ <Yeah. S 1> นั่นแหละเวลาเราตายก็จะเป็นอย่างนั้นน <c oughs> จิตมันจะดับตัว น, นั้นแหละ <c oughs> แต่เวลาเราหลับนี่มันไม่ดับมันก็จะผ่อนคลายเป็นตกผวังของจิตมัน <Yeah. S 1> หรือเราเบื่อเศร้าเหงาเซงไม่มีอะไรทําไม่ยากเลยอาศัยการเจริญสติกับการใช้ชีวิตนั่นแหละหาอะไรทําสักอย่างหนึง่งไอ้ที่เราเราเหงาเพราะเราไม่มีอะไรทําลองทําอะไรที่ไม่เหงาเลย <c oughs> บางคนไม่รู้จะทำอะไรก็หาทำดิถ้าไม่หาทำเนี่ยมันไม่มีอะไรทำหรอกนะต้องหาอะไรที่จะทำหาอะไรที่จะทำเนแล้วก็เอาใจอยู่ตรงนั้นแะฝึกจิตฝึกใจอยู่กับงานตรงนั้นะ่ะมันก็หายเหงาไนะาโรคเหงาไม่มีนะนี่ยเพราะเองถูกจำกัดอยู่บนเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้สมัยก่อนนี่โอ้เหงามากทำอะไรก็ไม่ได้มันเหงาอ่ะเออ มันก็ถูกความเหงามันรุมเา้าทําให้เราเป็นทุกข์มากมายแต่พอเราฝึกเจิตระสติในช่วงจำวันอยู่บนเตียงเนี่ยพลิกไปพลิกมาจับนุ่นจ่วยนี่ไม่มีอะไรทําก็ผ้ามาคลี่แล้วก็ห่มอย่างมีสติมันหาเรื่องจะทำมันความเหงามันเข้าไม่ได้เพราะมีอะไรทํามีกายเคลื่อนไหวมีใจรู้เงี้ยความเหงาความเหงาความเหงามันแทรกไม่ได้อ๋อเราต้องหาอะไรทําอะไรก็ได้ แล้วก็จิตเข้าไปรู้อยู่ตรงนั้นมันก็หายเหงาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาความเหงามันเป็นยังไงเป็นไงน้ะความเหงานี่เมื่อไหร่มันจะเหงาตั้งทีเนาะมันหาเรื่องที่จะที่จะทำทาอะไรไม่ค่อยไหวก็ทําอย่างอื่นบ้างกันเนี่ยพลิกไปพลิกมามันก็หายเหงาหายสิ่งนี่มันแก้โรคเครียดโรคซึมเศร้าได้ ไอเหงาบ่อยๆเนี่ยมันระวังจะได้ต่อไดโรคซึมเศร้าเวลาเกิดความดุเเศร้าเดี๋ายวไปให้ยากินวาซาบิเข้าไปดมันก็ตื่นเคยไหมโอวาซาบิทําให้จิตตื่นได้นะมันเหงามันซึมเศร้ากินวาซาบิกินซูชิก็ได้จิ้มวาซาบิมากๆดูสิมันจะซึมรู้แบบตื่นตื่นรู้ได้ซูชิก็เห็น ถ้าขาดสตินี่สูชีมันเข้าถึงสมองไงนะถ้ามีสติเนี่ย ม, มันตื่นรู้ด้วยสูชีลองใช้ดูนะแก้โลกซึมเศร้าได้ <c oughs> อนี่แหละเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการฝึกสติกับการทํางานรู้อยู่กับปัจจุบันรอคอยแค่สักคนนึงก็รออยู่กับปัจจุบันก็จะมาแต่เมื่อเขามา เขไม่มาแต่เมื่อเข้าไม่มาแต่เรารู้สึกตัวอยู่กับปัจบันได้ปฏิบัติธรรมในขณะรอคอยนอนไม่หลับก็รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเกกบการทําหน้าที่นอนให้ดีที่สุดส่วนผลจะมาหลับหรือไม่หลับนั้นไม่เกี่ยวบางคลาตอนกันเวลาเหงาก็หาอะไรทําด้วยความรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้พอเหงาขึ้นมาก็อ่าอินเทอร์เน็ตทีวีหนังสือเราไปพึ่งสิ่งภายนอกมันก็ต้องเสียเงินเสียเวลา ต้องรอต้องลุ้นโอ้เสียเวลามากพยายามพึ่งตัวเราเองให้มากๆนี่ละการเจิตสติมันพึ่งตัวเราเองได้เนี่ยอันนี้มันทําให้เราเกิดความสุขได้นะเนี่ยในขณะที่เรารอคอยรอนไม่หลับก็สุขได้ที่จริงความสุขเนี่ยมันมันอยู่ไม่ไกลตัวเราหรอกมันอยู่ที่ใจเรา เ, เองถ้าเรารู้จักวิธีคิดมีมุมมองเนี่ย วางจิตวิญใจถูกต้องแล้วก็พบความสุขได้ง่ายเจอความสุขได้ง่ายมีญาติ่ทํมคนหนึ่งเขาดูแลอากงอากงนี่จะต้องมาฟอกไตทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งเขาดูแลอยู่เขามีไอ้ที่พากงมาฟอกไตเขาชื่อบุญมานะฮะยกตัวอย่างชื่อนะเข ก่อนจะไปฟอกไตเนี่ยเขาจะพากรงมาที่ชมรมเพื่อคุณธรรม <c oughs> มาเพราะว่ากงนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเพราะได้ออกจากบ้านบ้างอายุต้องแปดสิบกว่าแล้วออกจากบ้านมาที่ชมรมสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> อ๋อเขามีความสุขแล้วจึงจะพาไปฟอกไตอ้าวแล้วคุณมูลมาถ้าหากว่าเวลาที่กงไปฟอกไตเวลาอื่นเนี่ย ใครเป็นคนพาไปก็คนอื่นพาไปมีคนหลายคนเข้าคิวเนี่ยวันนี้ยพุทธเนี่ยมันเป็นเวนหนูเวนหนูพามาบาอย่าใช้คําว่าเวนหนูเปลี่ยนวิธีคิดสมัยบุญหนูบุญหนูมันเป็นบุญหนูนะเนี่ยเพราะคุณบุญมาเวลาพากองมาเนี่ยอากองนี่สดชื่นเรารักอากองไหมรักว่าเป็นบุญของเราวางใจว่าไม่ใช่เวนของเราเป็นบุญของเรา เป็นบุญของเราที่ได้ช่วยอากงได้ทำบุญกับตัวเองและทบุญกับอากงด้วยเปลี่ยนเป็นบุญหนูซะแล้วเปลี่ยนชื่อว่าเวลาทุกัางที่เข้ามาเนี่ยจะเรียกว่าคุณมากับบุญมากับบุญเขาไม่ได้ชื่อบุญมาเรียกเขามากับบุญเขามากับบุญก็พาอากงไปฟอกไตอากงเองก็ไม่ได้ฝึกสติ ได้แค่ปลี่ยสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเขาก็มีความสุขแต่เวลาขณะกำลังฟอกตายเนี่ยเขาก็เครียดเขาก็ทุกข์เขาก็เจ็บฟอกเสร็จแล้วก็ต้องไปนอนรอเพื่อจะพักผ่อนแล้วก็จะกลับบ้านทั้งช่วงขณะฟอกตายขณะรอเนี่ยเครียดมากเลยเป็นทุกข์มากกองปวดแล้วก็ ป, ปวดบอกคุณบุญคุณมากับบุญคุณสอนะกง ให้ฝึกสติขณะฟอกไตฝึกสติขณะฟอกไตายทำได้ไหมอาบอกว่าขาลองฝึกดูเนี่ยอโกงในผู้ภาษาไทยไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาไทยค่ายคุณมาก บ, บุญ เ, เป็นคนสอนเนี่ยเวลาที่หมอกําลังฟอตกตกําลังทําอะไรกับเราเนี่ยอย่าไปสนใจนะเนี่ยมารู้สึกตัวกับการถูนิ้วมือเนี่ยมันรู้ตรงเนี้ยรู้สึกเอาใจอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกรู้สึก หมอจะทำหลายเรื่องหมอเรื่องเราคือรู้สึกตัวเอากองลงทำซิพอเขาถูมือรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยอย่างนี้หละ่ละเนี่ยลองทำซิรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยทําเนี้ยเรื่อยๆไปหมอจะมาทําอะไรเราก็รู้สึกอย่างนี้หละ่ะแล้วเวลาที่ระหว่างนอนรอจะกลับบ้านเนี่ยเนี่ยมันรู้สึกเนี่ยนอนถูนี้มือแล้วก็รู้สึกตรงนี้ยจิตสติแปลการสัมผัสนิ้วมือเนี่ยให้อยู่ตรงนี้ละ่ะ โอ้ไปฝึกได้ไม่นานะนะเนี่ยคุณมากระบุญบอกว่าอ ก, ก็คงมีความสุขมากขึ้นขณะฟอกไตและไม่ปวดเวลาที่ร อ, อกลับบ้านด้วย <c oughs> บอกแสดงว่าได้ผลน้าอายุปแปดิบเนี่ยรู้สึกตัวสัมผัสนิ้วมือแล้วมีสติมีสติเขาก็ได้ผลเนี่ยคนป่วยคนไข้ใช้ได้นะเนี่ยเวลาหมอทำอะไรหรือเวลาเครียดเวลาทุกข์เกิดเวทนารุนแรงก็สัมผัสในมือแล้วก็รู้สึกเอาใจมาอยู่กับการรู้สึกตัวซะ ใจอยู่อาการรู้สึกตัวใจมันก็ไปไม่ไปมุ่งมั่นหรือไปยึดมั่นในทุกขเวทนาเนี่ยมันแยกใจออกมาจากทุกทางด้านร่างกายด้วยซ้ำไปวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับคนที่จะต้องป่วย <c oughs> แล้วก็จะต้องตายด้วย <c oughs> เนี่ยมันใช้ได้ใช้ประโยชน์ดาคณนอากงยุค8ปด0บเก้าเขาก็ทำแล้วก็ได้ผลจิตใจก็สดชื่นขึ้นนึกอะไรไม่ออกก็มารู้สึกตัวสัมผัสนิ้ว เวลาโกรธก็รู้สึกตัวสมบัดในมือไม่ว่าจะทาอะไรก็สะบัดในมือแล้วก็รู้สึกตัวได้ปฏิบัติธรรมในสภาพร่างกายที่พิการหรือร่างกายที่มันป่วยไข้ที่ทำไปเพราะฉะนั้นน่ยคนไข้คนป่วยเนี่ยไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายจิตใจเขาก็ป่วยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าขาดสติไม่มีความรู้ตัวเพราะร่างกายป่วยไข้ปับใจมันก็ผสมลงเข้าไปเลย ทุกทา้งกายทุกทางใจทุกทั้งสองเลยนะทั้งที่ความป่วยไข่เนี่ยเป็นเรื่องร่างกายแท้ๆใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้แต่ใจไม่มีเครื่องอยู่มนเลยหันมาอยู่กับความทุกข์ทาง้างร่างกายเอาสติเอาความรู้สึกตัวไปเครื่องอยู่ซะสติเป็นเครื่องรักษาใจให้อยู่เป็นปกติแม้ว่าร่างกายจะป่วยไข้ยงงั้นใจมันก็ไม่ทุกข์ได้เหมือนกัน ใจจะได้ไม่มารวมอยู่กับร่างกายอยู่กับความรู้สึกรู้สึกเนี่ยอยู่กับการเึลื่อนหวรล้วนมันก็หายหายป่วยได้ทั้งนั้นจิตใจเนี่ยมีประโยชน์มากเนี่ยบนี้มีประโยชน์มากเราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ดีมีความสามารถดี ต้องมีกรรมฐานดีด้วยต้องทำกรรมฐานเป็นด้วยคือมารู้สึกตัวกับกายที่มันเคลื่อนไหวรู้เท่าทาันใจที่มันคิดนึกในขณะปัจจุบันนะคือกรรมฐานเราสามารถฝึกได้เลยทั้งกายทั้งใจเลยเนี่ยต้องฝึกตรงนี้ด้วยต้องมีความรู้เรื่องธรรมะเนี่ยเพราะว่าบางทีคุณพยาบาลคุณหมอ น, นี่ต้องสอนสัจธรรมคนไข้นะเนี่ยต้องสอนสัจธรรมคนไข้ด้วย ไม่ใช่ว่า ร, รักษาร่างกายอย่างเดียวแต่ใจคนไข้เนี่ยไม่รู้เรื่องความจริงของชีวิตไม่รู้จักศาสนาธรรมอยาก็สอนออเนี่ยร่างกายเราเนาะความเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไดเ้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความตายไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้มองเขาเห็นว่าไอการป่วยไข้ มันเ็เรื่องธรรมดาของทุกชีวิตต้องสอนต้องแนะนำด้วยความมั่นใจแม้เราเองยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแนะนำาู้อื่นเา้าให้เขาได้มีอนุสติตรงนี้นึกถึงตรงนี้แบาบงทีเราทำไม่ได้แนะนำเขาแบาบงทีเขาทำได้ก็มีนะอย่าแงบบผมเดินจงกรมไม่ได้หรอกแต่แนะนำคนเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกตัวได้เหมือนกัน <laughs> มันแปลกมาอุตริเป็นหนย บางอย่างเราทําไม่ได้แต่เราแนะนำเขาเขาอาจจะมีบุญวาสนามีจริตทําได้ขึ้นมาก็ได้มันต้องลอง น, น, นต้องสอนเขาต้องให้กําลังใจคนไข้เป็นคนหมอคุณพยาบาลให้กําลังใจคนไข้เพราะคนไข้เนี่ยถ้าจิตตกไม่มีกําลังใจเนี่ยยาเขาก็ไม่รับเขาจะต่อแต้นต่อต้านแล้วก็แอนตี้เราเนี่ยร่างกายก็จะไม่ค่อยดี กำลังใจเขาดีใ ห, ใ, ให้กําลังใจให้คำแนะนำํำช่วยเขาพูดอะไรไม่ได้ก็ยิ้มใส่คนไข้แก่เจอรอยยิ้มนี่คนไข้ก็หมดเนียหรือว่าหมดทิฏฐิมานาเป็ต้องเยอะนะนคลายทุกข์ไปได้ด้วยรอยยิ้มของเราเนี่ ย, นยแนะนําให้กําลังใจเวลาคนไข้บางคนนี่มีอาการเจ็บป่วยทุกขเวทนารุนแรงคุณหมอคุณพยาบาลจะช่วยเขาอย่างไรเรื่องแบบนี้นี่ยตรงนี้สาคัญไหม ช่วยเขาให้เขามาสนใจสื่อื่นจะโดยการที่เอาจิตออกจากทุกขเวทนาเนี่ยสัมผัสมือสัมผัสมือเขาเลรูปศีรษะเขาบีบไม้บีบมือบีบเท้าให้เขาเอาใจมาสนใจตรงนี้จะเขาจะได้วางจากทุกขเวทนาทางกายได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ทําบ่อยๆให้กําลังใจเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยมันเป็นได้ก็หายได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แท่งแท้แน่นอนหรอก มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันป่วยที่มันก็หายป่วยเนี่ยสอนจาสนาธรรมแนะนำให้กำลังใจอันนี้ช่วยได้คุณหมอคุณพยาบาลจะต้องมีความรู้เรื่องแบบนี้โดยเฉพาะคนไข้ของเรานี่ผมว่ามันไม่เกินตัวเราหรอกใจเราเนี่แหละคือคนไข้ใน <c oughs> ไอ้คนไข้ข้างนอกเราดูแลเขา ก็พอสมควรแต่คนไข้ในของเราเนี่ยคือจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นคนไข้ในมันเป็นโรคทางจิตใจเรียกโรคทางจิตวิญญาณโรคเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์นะแม้แต่คุณหมอคุณพยาบาลเองเจ้าที่เองก็เจอโรคเนี่ยจิตแพทย์เองก็เจอโรคเนี้ยคนไข้ของจิตแพทย์ก็คือใจคุณหมอนั่นแหละต้องดูแลก่อนเป็นคนไข้ในาบางทีมันคิดสลรพัดอย่าง มันทอแท้หมดกำลังใจในขณะทํางานก็มีนะเนี่ยมันเกิดความโกรธความเครียดก็มีนะนี่แหละคนไข้ของเราคือใจเราเนั่นแหละเราต้องดูแลนะดูแลด้วยกรรมาฐานมันทีทํางานไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วก็เป็นทุกข์นีก็จะความคิดอัตราตัวตนคือคนไข้ในของเรานี่ยแหละเป็นอัตราตัวตนยอมใครไม่ได้ติดดีทําดีแล้วใครไม่ว่าดีก็ไม่ได้ ใครไม่จมก็ไม่ได้ไม่ได้สองขั้นก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคนไข้ในเราเนี่ยต้องรู้ให้ทันมั น, นต้องอาศาัยการทากรรมฐานกรรมฐานต้องดีคือมิสติรู้ให้ทันจิตทันใจของเราเวลามันคิดขึ้นมาก็อ๋อนี่มันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรา<ม>สติปัญญาบอกอย่างนั้นมันคิดขึ้นมาก็นี่ใจมันโกรธนะโอเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรา ให้รู้ทันจิตทันใจตัวเอง เ, เวลามันเกิดความเครียดอ๋อเป็นเรื่องของใจธรรมดาไม่ใช่เรื่องของเราเราจะเห็นความไม่เที่ยงของหน้าของจิตใจเราเความเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ที่จิตใจก็รู้ทันสติรู้ทันปัญญารู้แจ้งว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่เราเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเรื่องของมันนะัก็สบายใจเรื่องของเราก็ต้องแบกหนักเป็นตัวเป็นตนของเรา โรคทางจิตวิญญาณที่มาความคิดเนี่ยมันน่ากลัวทําให้เราไปฆ่าตัวตายได้โรคจิตวิญญาณเนี่ยและเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือโรคทางจิตวิญญาณนั่งกันโรคทางจิตต่างนั้นอ่ะมันสร้างปัญหาสารพัดเนี่ยความรักความเกลียดความโกรธความกลัวอิจฉาริษยาขึ้หังหวงหวาดระแวงเนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจหมดกําลังใจ ตัวตนเนี่ยรคทางจิตวิญญาณต้องบาบัดก่อนเป็นคนไข้นายนต้องรักษาตรงนี้มันก่อนเพราะมันทำให้เราต้องเป็นทุกข์ทั้งปัจจุบันและในอนาคตตรงนี้แหละนะเนี่ยกรรมฐานเนี่ยสำคัญมากคือการมีสติรู้เท่าทันจิตันใจตัวเองในขณะที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาทางจิตใจเนี่ยสำคัญเลยละ่ะก็จะมีตัวอย่างในโรงพยาบาลเนี่ย มีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นแพทย์แผนแพทย์ทางเลือกภรรยาเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมันก็ขัดกันเรื่องรักษาอยู่แล้วแหะ ม, มันมีสองแผนไปแล้วเรียนมาไม่เหมือนกันกฤษฎสถาบันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน มันก็ไม่ลงกันนะนะทะเลาะกันกหยุดอิทธิมณะใสกั น, นลูกอายุสองขวบป่วยเป็นไข้ขึ้นมาเนี่ยลูกสองขวบนี่ยเป็นไข้ขึ้นมานไม่รู้ว่าแพทย์สองแผลนี่ตีกันใหญ่เลยทะเลาะกันใหญ่ลูกที่ป่วยมันจะรักษาด้วยวิธีไหนดีก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเนี่ยเอาความเป็นนายแพทย์ลืมความเป็นพ่อที่จะรัก แล้วก็เมตากับลูกห่วงใหญ่ลูกเอาความเป็นคุณหมอมาลืมความเป็นคุณแม่ของเราซะจนไม่รู้ไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยทิฏฐิมานะตัวนเนี้ยมันยอมไม่ได้ยอมกันไม่ได้เพราะทิฏฐิมานะตัวต น, เ, นเพราะว่าความรู้เสมอกันถ้ารู้จกยอมว่าแพทย์แผนไหนก็รักษาได้ทั้งนั้นแหละคืออยู่ว่าโอกาส เ, เอาจุดศูนย์รวมจิตใจยอยู่ที่ลูกซะ มันจะได้ไม่ต้องไปแบ่งว่าแผนนู้นแผนนี้เนี่ยความรักความเมตตาเนี่ยสำคัญมากจะต้องดูแลตรงนี้ก่อนอยลืมนะเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวไม่ใช่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ่างเดียวการทำงานเนี่ยถ้าเราอาศัยกรรมฐานมีสติรู้ทันจิตในปนัจจุบัน เราก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาจิตใจเราได้พัฒนาจิตได้การงานเนี่ยพัฒนาจิตใจเราได้ถ้าเรารู้จักมีสติเฝ้าดูมันอยู่จากจิตที่ไม่เสียสละมาเสียสละจากจิตที่ไม่รักมาเกิดความรักเกิดความเมตตามันละได้ตัวตนของเราเอาชนะตัวตนของเราได้โดยการที่ไม่ทําตามมัน เราก็จะมีความสุขในขณะทำงานในการใช้ชีวิตด้ว ย, เ, ยเวลาเกิดความโกรธอย่าเพิ่งพูดอะไรถ้าพูดตัว น, นั้นเนี่ยมันเสียสถานการณ์อาจจะแย่ลงเวลาโกรธอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งทาอะไรจะเย็นไว้ก่อนร้อยความโกรธปัญหาไปก่อนไปทำไปพูดเข้าเนี่ยจิตที่ถูกความโกรธบีบคั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องรุนแรงั้งนั้นอะ่ะไม่ค่อยมีเหตุผลนะ่ะให้มันหายไปก่อน แล้วค่อยทําค่อยพูดมันจะดีกว่าเนี่ยไม่ออย่างกับเราเรือเนี่ยออกเรือตอนที่มันมีพายุรุนแรงเนี่ยมันอันตรายเวลาโกรธเนี่ยเวลามันทําอะไรตอนตามาโกรธอันตรายเหมือนกันไม่มีเหตุผลไม่ได้ตัวตนให้ไม่สิรู้ทันความโกรธซะโอ้โนี่จิตมันโกรธแล้วเนาะเออมันโกรธเนี่ยมันร้อนอย่างนี้เนาะเออมันเหน็ดเหนื่อยอย่างงี้เนาะมันกระวนกระวายแบบนี้เนาะมันทุกข์เนี่ยจิตโกรธมันจิตทุกข์จิตมันร้อน พรู้ทันปั๊บเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปเนาะมันหายไปไหนแล้วความโกรธแต่แล้วมันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกนี่เห็นสัจธรรมแล้วเห็นตรายรักกว่าไม่เที่ยงกว่าเป็นทุกข์ว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงเนี่ยเรารู้รราในขณะโกรธก็มีสิทธิ์นี่นะเนี่ยเพราะนั้นการงานเนี่ยมันพัฒนาจิตใจไม่ว่าเลี้ยงชีพอย่างเดียวพัฒนาจิตใจเราด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้น มันแยกกันไม่ออกหรอกระหว่างธรรมะกับการทำงานแยกกันไม่ออกเป็นเรื่องเดียวกันการทำงานคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีอยู่ในแต่ละวันมันแยกกันไม่ได้เนี่ยการงานคือการปฏิบัติธรรมนีถ้าเราอาศัยงานเนี่ยมาเป็นฐานในการเจริญสติรู้กายรู้จิตมันก็จะมีความสุขกับการทำงาน แล้วก็จะแก้ปัญหางานนั้นได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์แล้วก็สามารถเอาการเจริญสติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันกับครอบครัวและก็สังคมโดยส่วนรวมได้